ก็พูดถึ่งเรื่องจิตจุดเดิมคือจิตคือจิตคิอใจซะก่อนเชื่อเพื่อายฟังตอนเย enfin ็นี้ว่าฝ่ายจิตจุดเดิมถ้าไม่พูดถึงจิตเดิมไม่มีจิตจิงจุดอะไรอะไรก็ออกจกใจหมดเรียกว่าจิตออกจาใจเรียกว่าจิตเนื่ยจุดเดิมของศาสนาอยู่ตรงนั้นเมื่อพูด ไปก็กั่วไปเป็นอาการของจิตจิตปรคล่วงควๆแต่แล้วพอมารวมลิที่ใจของเขามันเป็นอย่างนี้เยื่อยๆไปอาการคล้วนั้นเป็นรักษณนีของใจอาธิบายมากมายที่อุยาว ธรรมะทั้งหลายขจัดใจหมดทุกอย่างนับหน่ยถ้วนแ ล, ล้วก็ลวงขอกมาถึงใจของเก่าคือว่าอะไรที่ไปใช่ไหมที่ไหนมาลงจุดเก่ายางังมี้ศาสนายังคอยมีที่จริงที่สุดก็คือติดดาวดันสัจจดบัยวว่าเอกาที่สมัย ปัในคณะทีเดียวหรือมัดกับกาสีรวมมันในจี่เดียวมัดกันแต็รวมมันในที่เดียวรวมมันในที่ห น, น, นึ่งเกาที่จะหมายทไม้แตกครังการทีิการฏากลวงกลวงนักลองมากถ้าหาแต่ตามรู้มัดทุกสิ่งทุกอย่าง ตามจะรู้ก็เห็นมดใครจะไปตามรู้เห็นทั่วถึงเลยนั่นก็ต้องมารู้ในที่เดียวสิเหตไม่ที่เดียวเฉพาะในี่เดียวสิ่งต่างมาเรื่องมที่เดียวเห็นในที่เดียวแต่มนต้อคยรู้รอบพู้ทั่วจะเห็นเป็นคนเป็คนแหงนหันอัานี้มีคือสิ่งสุดขดทั้งโลก สิ่งขนาดนั้นังโลกไมรู้อะไรไัดแปดทัานพูดแล้วสินกะลงนั่นแหละอันเดียวนั้ น, นมาที่ปัญญากะลงนั้นเียเดียวนั้นเรื่องอธิบายฟังตอนเดียวนีว่าชานก็าออกไปจากนีน้ที่เรียกว่าชานสี่รัาชานแปดเขาเอาไปจาก อาการของฌานถ้าหากว่ามันไม่รวมเป็นสี่เอกตาท่านทให้เป็นฌานฮิตกับอีกการพิธีพุทธอุตส่าห์ลงเอกตานะท่านสีน่ขันศีลจะลงเอรรตงกตานะท่านหมัดกับฟันจะลง มันเอกมัอันเดียวนั่นอธิบายทิ้งเรื่องของอันเดียวแต่ถ้าไม่มีที่จรินที่สุดอธิบายวัฏจักรเหล่านี้ที่สุดคือมันมีอากาศหนึ่งอธิบายทิ้งเรื่องมัดที่เรียกว่ามัดแปดอธิบายรวมๆนันเดียว่าที่มที่ปัญญาในที่เดียวต้องคือรวมตัวปีตัวน่น สติตัวนี้ท้าหากตั้งใจรักษาอยู่รักษาจิตควบคุมจิตให้รู้ว่าเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นเรียกวันเดินมรรคการเห็จิตอยู่ตลอดเวลาเรียกวันเดินมรรคากรนั้นถ้าหากจะรวมลงเป็นหนึ่ง ก็เข้าไปหรือเข้าหลักเทวมรดกับสมุทติถ้าหากไม่พูดเรื่องนั้นพิจารณมรพิจณาจิตทำนดจิตพิจณาจิตคดาัดรื่องจิตธรรมดาจิตก็ต้องมีอาการคิตนมดเก็ต้องตามรู้ตามเห็นตาม ค, คิดตามค้นไม่กินไม่ตักงหหมดแล้วมันก็รวมลงไปได้ เข้าเป็นมากเข้าตองที่นั่นเองรักษาจิตตลอดเวล า, ากลารทำ้าวนาใดๆหรือมันไม่เกิดจริงมันไม่เห็นของจริงยังไม่ทันดูเรื่องค่ะถ้าหากเป็นจริงเห็นของจริงอย่างนี้แล้วการรักษาสติกำหนดคิดเจริญารักษาสติ อยู่เนืนิดตลอดเวลาถ้าสมบูรณ์บริบูริ์สติถึงนั้นสมบูรณ์แล้วสติมันรักษาตัวมันเองเวลาเรารักษาอาการคุ้มแค่คุ้มจิตอยู่แต่เมื่อมันเป็นสติมหาสติเต็มที่แล้ว สตรักษาตัวเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนประกอบอาชีพอะไรของมั้มันรักษาตัวมัอยู่การคุมสติอี่ตลอดเวลาจะรักษาจะ่ทำการทำงานได้ได้อันนั้นเป็นควาคิดของคนถ้ารักษาสติเต็มที่แล้ว สติคุมตัวมันเองพอดีพองามมันเองโดยที่ไม่เราไม่ได้ตั้งใจรักษาทํำในสภาทํ า, ทาทการทางพาระธุระต่างๆทุกอย่างทุกการทาในสภาเลยและกระทาไม่ดีไปด้วยในการชั้งขึ้การรักษาจะตีนี่แหละเร่องการดาเนินมาก ที่ว่าหยาดละเอียดอยู่ที่สติตัวเดียวรู้ได้ตัวเองใครเป็นอุกรณ์ให้ไม่ได้น้ำสติมากสกติน้อยเท่าไหร่จนกระทั่งสติรักษาตัวมเองนั้นเป็นที่ตอนเนื่อเมื่อจะรักษาสติเป็นที่มันจะเขา้าจิตมันจะเข้าเป อัปปนาสมาธิก็เข้าตรงนั้นโดยที่ไม่เน้นิตโดยที่ม่เน้นเลยฟนพาะนันเขา้าไปเองเขา้าไปอยู่พักหนึ่งแล้วจะถอยออกมาปางค้นก็อยู่นา น, น, นแต่จิตแน่ๆแปลว่าการเข้าอัปปนาสมาธิเรียกว่าเอเสกไอเอกสตาจิต แตก็ตายจิดนี้นะไม่มีคิดตัวความรู้สึกมีไ ม, ม่คิดแต่มีความรู้สึกนี่กจะตาลมไม่คิดคิดในเรื่องธรรมะส่วนที่ตนพิจารณาเป็นพิจารณากายคนคลัวในเรื่องกายไม่ออกจากกายพิจารณาเวทนาเพคิดธรรมในในเรื่องนั้นไม่ออกจาก น, นั้นแล้วเราเอง่็ตาย สูปสตางค์ลมหายลมมันเดียวไม่แน่นะลมมันเดียวสนสตางค์ลมเต็มที่เราจะเข้าถึในสตาจิต ม, มีความคิดคนจมีความรู้สึกในตัวยถ้ทำอะไรไม่ได้จะมีประโยชน์อะไร้ตอนนั้น้ามีคำถามคงอมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มหาศาล คนเราเกิดมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเคยเป็นอย่างนั้นเลยสักทีคิดไม่รมู้อะไรเลยสักทีคนเราฝึกหัดฝึกฝนอบรมถึงจะเข้าถึงขนาดนั้นก็ไม่ใช่ได้ทุกเวลาได้เป็บางครั้งบางคราวเมื่อมันเข้าไปพัดผ่อนเกี่ยวกับ มันจะั่อนมันต้องพัก่อนนะมันจะมีพลังเต็มที่ของมันเมื่อมันออกจากนั้นมามันมีอาการของจิตคิุคิกนิดต่างๆแต่ว่าไม่สงสยัยในสิ่งที่เห็นก็นดีได้ยินก็นดีจำทั้งทุกการอย่าง มันจะเป็นทําหมดมันจะมาเป็นโรกตามเลยมเห็นสัมพัสกับสัจจะวัสมัตเป็นตาเห็นลูกก็บสัจจว่าเห็นหัวเห็นเสียงสมองถูกสินเทียนหรือเก็ะสักแต่ว่าเ ม, มื่อไปครัวพันไม่ไปเจ็บเปรี้ยส์อ่านไหมนะประโยชน์ของมันเข้าไปอยู่นี่ว่าจิตถอยออกมาอยู่ใน พุทจาระพุทธจาระมีสองอย่างพุทธจาระกนเข้าไปอย่างหนึ่งกนเข้าไปต้องรบกวนต้องรบคาเต็มที่กําลังต่อสู้กันเมื่อถึงพัฒนาแล้วมันออกมาขันพัฒนาให้อุทธจาระก่อนออกมานะสบายเลือกเยอะมีปัฒนาเกิดเกิดตรงนั้น นี่ศาสนาคืออะไรเนีน่ยคนจักวิจิตรู้จักจวิจิตรนี่ยนไฟังกับจักจวิจิตรได้ฟังจึงสภาพมันลงถึงถีติธรรมดทุกอย่างรู้ตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นที่นักบวชมดที่พระเห็นก็เห็นอย่างนั้นผู้รู้ก็เห็นรู้จักว่ารู้อย่างนั้น เป็ทีติยาหนังท่าว่าทีติยาคือควารู้รู้กามเป็นจริงนีไรู้ของจริงการเปจริงอะไรอันนั้นตัวอภิปรัสนาแต่อภิปรัชนานี่เรียกว่าอนุโลมซะก่อนเนีไม่ใช่ของจริงอภิปรัชนาตัวจริงแท้มาเกิดครั้งแรกมันเห็นครั้งแรกเกิดครั้งแรก วิพัฒนาไม่ใชไม่เกิดเสมอมันเกิดอย่างครั้งแรกนะนานก็จะเกิดอีกครั้งหนึ่งทีงงทเกิดละทั้งละทีไม่เกิดได้ที่ไหนคิดไหนึ่ได้ที่ไหนตั้งใจแต่คิดนึดไม่ตั้งใจจะรู้อย่างนั้นแต่ไปรู้ขึ้นมาโขขึ้นมานั่นเองเรื่องวิพัฒนาต้น กาที่ท่านจะเดินมักเดินท่านเดินทึนานก็เอาตรงนั้นนหะคนเราอยากจะให้ได้ยิปัจนาเสมอเสมอให้เป็นอย่างนั้นเสมอเป็นไจไม่ได้หรอกมัดมั ด, ม, ดมันเป็นครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสองสางครั้ง ไม่อยากให้เสร็นเสมอเราจะไม่อยากใส่ผ้าถมากสีถังนี่นมันก็พอใจมันเนร็่ไง้ไม่ได้เรียบอนโนโลมที่จะนางตามตามการมที่เป็นเพตนั้นอะโนโลมตามถังมากอันนั้นอันนี้เรียเครื่องอยู่ทางนี้จเครื่องเครื่องอยู่มีหลายอย่าง ทานก็เป <intent>? ็นเครื่องอยู่อันน้พิจารณาสุพพะสัติคุณพิารณาเห็นสิ่งของมัดสิ่งของละเอียดเป็นเครื่องอยู่ทั้งนั้นดีกว่าเราจะไส่เพื่อเพื่อในรุ่มหลงโมเาในิ่งสารพงมดซึ่งมันเป็นประโย์เราเห็นเราเรายินดีพอใจในธรรมะ เราอินใจเพื่อเผยินเดกธารมะอันนี้เป็นเครื่องอยู่ทางกลางวันในกลางคืนสุขสบายอยู่อย่างนั้นมีหาดทาเครื่องอยู่ของพร เ, เจาท่านรั้งอยู่อย่างนั้นพวกเราถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงจอย่างนั้นถึงตรงนั้นแล้วก็เพลินสนุก อ, อินอกอินใจดีเหมือนกัน อาจจะมีคำถามว่าดีใจมันจะเป็นกิเลสขอให้มันเป็นมาก่อนเป็นกิเลสไม่เป็นก็ขอให้มันเป็ น, น, ปนมาก่อนทำได้ไห ม, มถ้าดีใจขอใจดีใจแล้วมันเป็นิเลสท่านาเห็นตรงนั้นใช่ไหมคร้านนั้นเห็นตรงนั้นแล้วมันจะละเดงมั้อเนาะถ้าไม่เห็นเสียงแต่ข้าเขี่ยพูดอะไรก นั่นก็เป็นไปไมได้มันคือที่ฆ่าเสน่์พูดนะจึงไในโตน้ก็ไม่มีที่สิ้นที่สุถ้าไมเห็นตรงนั้นเราต้องโต้กั น, นใครๆไม่ต้องโต้นับสงสัยเลยมีอธิบายธรรมะยศ ย, อยออออ่อหัวข้อไม่ต้องเอามากมายการปฏิบัติของเราต้องเข้ามาที่ใจเอาใจเสียก่อน พูดถึงเรื่อใจแล้วกความไม่คิดคือความรู้สึกเจไม่คิดไม่ติดตรงนั้นแหละตรงนี้คำท้าหัดจัดตรงนั้นได้แล้วที่เด็ดของขายหมดจะโกรธเอาจะเกลียดใครก็เอาจะรักจะชอบใครก็เอาข้างข้าวปึงตรงนั้นไม่มีอะไรไม่มีบนนี้ปากไม่มีดีทัชั่วอันนั้นเรียกว่ อันนี้จขยายไปอย่างอธิบายให้ฟั ง, งเราพิจารณาเรื่องการเดินสมาธิไปอยู่ตามเรื่องตามราวยืดยาวไปถ้าหากมันไม่รวมเข้ามาได้ไม่ใช่ขคองจริงถ้ารวมเข้ามาได้ น, นั่นน่ะถูกข์แสดงว่าอันนี้ธรรมะคำสอนของค์สอนเห็นละ ละได้แล้วเนหะ็นเห็น้นงางล่างมาแล้วละได้แล้วมนะันเห็นตนในละลเมื่อมันอุปสรรคขวางขวางเอาไว้ถ้าหากมันไม่รวมเข้ามาก็เอารวมเข้ามาให้ตนได้ต้องบังคับให้รวมแต่หากสู้รวมเองอะไรพอบังคับมันไม่เป็นจริง รวมเองรวมเข้ามาเองได้นั่นแหละถูกนฏิบธิคืเพียงแค่นี้นะมันจะหยาบใละเอียดขอให้พอใจยินงดีกับการรู้การเห็นของเราเถอะหาจจะเป็ียนไปการที่เป็ียนไปถ้งไมเ่เป็ียนไปนั้นเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งขอให้ทำความพอใจผูบายนั้นนั้น แล้วก็พอขอไม่พอใจของมากกันเลยก็ตามทุกข้อละเอีย ด, ดกันเลก็ชัดถ้าไม่พอใจเรื่องของตนแล้วทั้งกำลังอยู่พอใจพอใจในเรื่องของเราตั้งสติกําหนดจิตคิดไม่ใจใส่เห็นพอใจในเรื่องนี้เท่านี้ก็พอทเรื่อง มันมีเข้าถึงใจเหมือนกันแต่ทำามไม่รู้จักใจปฏิบัติวิถีปฏิสัั์ของเข้าถึงใจมั น, นอย่างศาสนาคิดทังเข้าถึงใจที่ว่าล้างบาปได้หนึง่งมันเป็นอุวายเบื้องต้นเหรอของคนคื่นเนีอ สำหรับสงองคนงมงายนี่าพูดถึงเรื่องคนจริงคนฉลาดแเขาไม่ถือทำบุญล้างบาตรทำล้างบาตรนั้นเงมันไม่ถือมันถือรักที่ว่าอัตตาเปนพึ่งตนเองแต่ว่าเขาไม่เชืงอัตตาไม่เหมือนศาสนาพูดของเรา หรืออ um ัตตาก็ากินเนี่ยศาสมาพุทธของเราเมื hmm. ่อปฏิบัติเขาถึงที่จุดเดิมอัตตาลักวัดบุนก็ลักมากก็ละัดไม่เอาอะไรทั้งหมดศาสนาพุทธมันเป็นอย่างนั้นศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามไม่ต้องมีโอเคต่าง ก็ที่บอกอจีนนมหาญานทฤศาสนานี้การแนวโนบจีนนั้น้อาจทฤษีารต้องการทฤษฎีหารแต่มันก็ม่รเข้าจรงจริงจจังเลยพวกสามีครอบครัวมีค่สองคนโอ้เขาปฏิบัต เขาเห็นนัตะมาเขาลเลากน่าถือมากเข้ามากอดไม้กอดมือโอ้จ็บกันเองจริงกันเอ ง, ร ง, เ, องเราเป็นกันเองทั้งสองคนคนหนึ่งเป็นพระคนหนึ่งก็เป็นฆราวาสในหนน้นุ่งจังแสิดคนจึงฆราวาสคนจัง่า น, นั่นนมากกว่านัตมาสองจิ ไม่โ อ, อกาสแล้วถามคเ ข, <c oughs> ขาข้าพเจ้านั่นไม่ได้เรียนตำราไม่ได้เรียนที่เรื่องศาสนาฮินดูจะพูดให่ธนรมะให้พ <c oughs> ูดให้ข้าพเจ้าฟังได้ไหมเรื่องศาสนานี่ได้ได้ยินดีคอกันเอามัดเรียนหกปีศาสนาดีก็จะเรียนหกปี คนหนึ่งเรียนตั้งเจ็ดแปดปีแต่ไม่บวดเมืนน่อถึงสองคนจะเข้าใจเพราะว่าเราเป็นกันเองไม่ต้องขอโทษขอใครเร า, าปเป็นกันเองเพราะว่าเราเป็นกันเองในหมายความที่เราเปื่ออันเดียวกันพระเจ้าก็เป็นอวการของเขาอหนึ่งของพระเจ้าค น, น, นเห็นดูจะต่างเป็นอวการของพระเจ้านหนมะ เพราะเขาว่าเป็นคนเดียวเราก็กรู้มันพูดในคังนั้นสองคนนื่นกันใช่ไหมจับรวมจุดใจให้เข้าถึงสมาธิภาวนาคือมีความรู้เสียงสว่างขึ้นมาแล้ว น, นั้นเรียกว่าเห็นไปเจ้าของเขาเรารียกว่าทมเห็นทม คือทันตอแสดงเขาเรียกว่าเห็นพระเจ้าข้อนหนึ่งนั้นลึกไปกว่านั้นอีกที่นี่มันมีสว่างนึกหนั่นเรียกว่าเห็นพระเจ้านี้ดันดอนอยู่กับพระเจ้าก็ถือเฉยๆส่วนพุทธศาสนาของเราเมื่อ รว่างแล้วยเมื่อแทงแล้วตอนนั้นก็รู้เรื่องของนั้นมันหมดหรือไม่หมดก็รู้เรื่องความรู้ของของอาการที่มันหมดจะใส่หมดรู้เองรู้เหล่า น, นั้นแล้วทิ้งทั้งของที่รู้นั้นมันสูบกลันถ้านีเหตมีปัจจัยคือความถือทัรู้มันก็ไม่ความจากเขา้าไปบ่ายจิตใจนั้น ทำคำอะไรกันวันดพระเจ้าเทานั้เสือเหลือทำดีท่้นเจ้าพระเจ้าเสือเหอตัวเขาทมได้พระเจ้าเสือเหลือ ม, มันไปพื้ตรงนั้นดันั้นศาสนาทุกศาสนาลมดิบมัดจ น, น, นคิดแพ้กันตรงที่ยึดเ่องยึดเท่นั้น ในหนังสือมันมีมีคำถามคามตอบอะไต่างเขาถามมันถามเร่งรนาละเอียดซีกจะจาอันตลอดทั้งสูงสุดเขาถามกระสุนของเขากรนั้นนะเรียกว่ามันยังถืออยู่นั่นท่านปิดเลท่านกลางๆท่านปิดเป็นกลางๆงแล้วก็ตอบังครับนะเนมันลงไปด้วการลงเองนมันลงเอง